ก็ความเจริญในธรรมจุมีดะท่านรู้ฟังทั้งหลายแต่รลงประโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องอนุสติซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอิติสมโพชงมาโดยลำดับก็มาถึงข้อที่เราเรียกว่าเทวตานุสติคือการตั้งสติระ ล, ลึกถึงเทวดาแล้วก็ธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดา โดยนำเอาธรรมะที่ปรากฏในพระคำภีมากอยู่สีเรื่องก็คือเรื่องวัตบทเจดประการฮิริโอตปะ ส, สัทธาศีลสุตตะจาคัปัญญาแล้วก็อุศลกัมบททั้งสิบประการก็แต่ละชุดเนี่ยส่งแสดงว่าเป็นธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาได้ทั้งนั้น ธรรมเหล่านี้จะแตกต่างกันในเชิงภาษาแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระภาคสนามคือภาคปฏิบัติก็าสามารถจะลดละโลภะโทสะโมหะหรือราคาโลภะราคาโทสะโมหะลงไปได้ด้วยกันทั้งนั้นจึงเป็นเรื่องของปริยายแต่นำเสนอให้เห็นความหลากหลายตามในญยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ในพระคำพี P, ที่เป็นพระพุทธธรรมดั่งเองนะในข้อต่อไปเรียกว่าอุปสมานุสติคำว่าอุปสมาแปลว่าเข้าไปสงบก็เหมือนกับคำที่พระท่านกล่าวในคาถามาบาังสกุลอานิจจาวัตสังขาราอุปดวะธรรมิโนปชิตตวานิรุจันติเต ส, สังโมปสโมสุโข นั่นก็คืออุปัสสมากสุขะแปลว่าเข้าไปสงบประงับถามว่าสงบระงับอะไรก็ต่อไปสงบประงับกิเลสก็ตกลงว่าเหมือนกันนะฮะคือทั้งหมดทุกข้อเนี่ยสงบกิเลสทั้งนั้นแต่เพียงว่าเราถนัดจะระลึกถึงข้อใดเราก็ระลึกข้อนั้น อุปสามานุสติจึงเน้นไปที่นิพพานเป็นอารมณ์คือร ล, ลึกถึงพระนิพพานแต่โดยปริยายหนึ่งบางครั้งก็ไม่ถึงกับเอาขนาดนิพพานเต็มที่นะฮะเพียงแต่ว่าให้สงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าสึกต่อความสงบเช่นมีเรื่องกระตุ้นให้โกรธก็สงบความคิดไม่โกรธ มีเรื่องกระตุ้นให้โลภ ก, ก็สงบความคิดไม่โลภมีเรื่องกระตุ้นให้กำหนัดก็สงบความคิดไว้ไม่กำหนักมีเรื่องกระตุ้นให้ประมาทมัวเมาก็สงบความคิดไว้ไม่ประมาทมัวเมาอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอธิฐานธรรมสันติเมวัสุสิยกยะกึงศึกษาทางแห่งสันติคือทางแห่งความสงบ เป้าหมายสูงสุดก็หมายไปถึงนิพพานแต่ในขณะเดียวกันการสงบกิเลสก็ลดหลั่นลงมา ต, ตามลําดับคือกิเลสมันลดจะมากหรือน้อยก็ตามก็ชื่อว่าลดเพิ่มจะมากหรือน้อยก็ตามก็ชื่อว่าเพิ่มมันก็ตรงตามหลักที่ทรงแสดงว่ายูดุตยาดูมินบาบมีประมาณน้อยว่าจะไม่ให้ผลบุญมีประมาณน้อยว่าจะไม่ให้ผล เหมือ น, นก็ะยาดน้ำทีละหยาดทีละหยาดที่ตกลงมาตกบ่อยๆก็ทําให้ภาชนะซึ่งรองรับมันก็เต็มได้จิตใจของบุคคลที่สะสมบาปหรือสะสมบุญก็ตามเมื่อสะสมบ่อยๆจิตก็จะเต็มด้วยบาปดรวยบุญผลหลักการตรงนี้จึงเป็นหลักการสะสมบุญและบุญที่เราสะสมนั่นเองก็จะทําหน้าที่กระจัดบาปออกไป นิพพานนั่นเป็นปรมาถ ธ, ธรรมคืออยู่ในกลุ่มของจิตเจตสิกรูปนิพพานนะนิพพานก็เป็นหนึ่งในปรมัตถธรรมทั้งสี่ประการแต่นิพพานนั้นเป็นขันธวิมุตติคือพ้นจากขันธ์เราเห็นว่าจิตก็คือจิตนะเจตสิกก็คือกุศลอกุศลเหนือ ก, ก, กลางกลารูปก็คือร่างกายของเราที่ประกอบด้วยหมาปูตา ร, รูปสี่อุปาทานรูปยี่สิบสี่รวมได้เป็นรูปยี่สิบแปด ผลนี้เป็นขันแต่วั น, นิพานนั้นไม่ใช่ขันก็เรียกว่านิพานเป็นขันระวิมุตตคือไม่ใช่ขันเมื่อไม่ใช่ขันจึงไม่ขึ้นอยู่กับการก็เรียกว่าเป็นการระวิมุตตคือไม่ใช่การทั้งสามเราจะถือว่า น, นิพานเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนี้ไม่ได้นิพานก็คือ น, นิพานที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นอสังคตรธรรมคือไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง แต่ว่าโดยสภาวะแล้วก็เป็นโลกุตระกุศลนะฮะแต่ว่าปัจจัยปรุงแต่งในที่นี้ก็คือพวกกิเลสกรรมวิบัตทั้งหลายเนี่ยไม่มาปรุงแต่งเพราะว่าไดู้กทําลายไปหมดแล้วเกิดสรุปว่าไม่มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยหลักก็อย่างที่เราสวดในปฏิจจสมุปบาทนะฮวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดปิญญาวิญญาเป็นปัจจัยเกิดนามรูปมันดับไปหมดตั้งแต่วิชา วนเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับปิญญาณก็ดับปิญญาณดับนามรูดับนามรู ด, ด, ด, ดับอายตนะก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้สูดดมสักแต่ว่าลิ้มสักแต่ว่าจับต้องไม่ได้เกิดความยินดียินได้หรืออ่อนไหวไปตามอารมณ์ดล่านั้นที่เราเรียกว่าเป็นผู้คงที่แตน่นันิพานจึงเป็นสภาพจิตที่หลุดพ้นที่ท่านเรียกว่าเป็นนิสระนาวมุติคือ ออกไปจากภพทั้งปวงออกไปจากกิเลสออกไปจากทุกข์ออกไปจากภพนะพวกนี้ก็จะออกสักอย่างก็ออกหมดเนะี่ยมันเป็นอาการต่อเนื่องถึงกันในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ตร ง, ง, งกันข้ามกับไตรลัก์คือไตรลัก์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตานิพพานนั้นก็เที่ยงเป็นสุขแต่ว่าเป็นอนัตตาในความหมายว่าว่างจากปัจจัยเครื่องปรุงแต่งทั้งหลาย แล้วก็เป็นนิโรธสัจจะคือเป็นความดับกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิงในวรนีพระพุทธเจ้าได้ส่งอธิบายไว้ตั้งแต่ปฐ ม, มเทศนานะที่ส่งแสดงแก่พระปัญนญวุคีเป็นกระบวนการทางจิตว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคเปโองแปดประการว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยทรงชชยคำว่าจาักขุกรณีญ า, ากรณีอุปสมาญาปิญญาญาสมบูทาานิบานาญาสมวัตติ หมายความว่าสร้างเป็นจักสุคือปัญญาจักสุขิดมาแล้วก็สร้างญาณขึ้นภายในจิตใจพอจักสุริยญาณหรือปัญญาก็เกิดขึ้นมันก็ก่อให้เกิดเป็นอุปสมายคือสงบจากอวิชชาเป็นต้นไปเมื่อความรู้ก็ยิ่งขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นการจัดสรุ พอจะรู้ก็ทำนิพพานให้แจ้งเกิดปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านผลเกิดเป็นกระบวนการที่หนุนเนื่องกันไปว่าจะกุกกรณียานักกรณีขบสมาญาปิญญาย า, า, ย า, ายาสัมบูธายานิพพานายาสังวัรติคือเป็นไปเพื่อนิพพานแล้วเกิดขึ้นแก่พระอราหันต์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจากการสัจสรู้พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเกิด ข, ขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้มาจากพระพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่ง เราจึงเรียกว่าอนุพุท ธ, ธะแตนในขณะเดียวกันลักษณะนั้นท่านแสดงว่ามีลักษณะอย่างเดียวคือสันติลักษณะลักษณะสงบที่เราได้ยินคาว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ในขณะเดียวกันนิพพานก็แบ่งเป็นสองระดับ คือถ้าดับกิเลสได้แล้วแต่ว่าชีวิตยังดำรงอยู่เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่วันจันทรสรู้นะ่ะก็เรียกเข้าถึงนิพพานแล้วแต่เป็นสอุปาธิเศ ส, สนิพพานคือดับเฉพาะกิเลสแต่ว่าชีวิตยังมีอยู่แต่วันที่เสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหกก่อนพุทธศพกที่หนึ่งนะเนี่ยเรียกว่าอนุปาะิเสสนิพพาน แต่ตามปกติแล้วกับพระพุทธเจ้าเราจะเรียกว่าปรินิพานแปลว่าดับรอบดับทั้งหมดประหารตามปกติเราก็ยังใช้นิพานอยู่จริงก็มีลักษณะดับรอบเช่นเดียวกันดังการศึกษาการนำความเข้าใจในเรื่องนิพานเนี่ยเราก็ต้องมองนิพานอย่างอ่อนๆให้ได้ น, นิพานเต็มที่นั้นมันก็อยู่ในอุดมคติ เดีวที่แน่นอนที่สุดคือชีวิตเราเนี่ยเราพยายามปฏิบัติดับนิพพานอย่างอ่อนๆคือท่านเรียกหลายชื่อนะฮะแต่เนื้อหาสาระเหมือนกันเรียกในแง่ของการละเรียกว่าตาทางกับปะหานปะหานหรืตามปะหานะบางทีก็เรียกว่ามิมุติคือจิตหลุดพ้นโดยองค์ น, นั้นนบางทีว่านิโรธคือดับกิเลสโดยองค์ น, นั้นนก็สรุปว่ามันเป็นอาการที่ต่อเนื่องถึงกัน คำเหล่านี้ที่จริงมันเป็นการห่างกันเป็นขณะจิตกันนั้นในที่นี้ก็จะใช้คำวินิโรธซึ่งให้แปลกออกไปจากที่เราคุ้นๆในคําว่าิมุตนะฮะนิโรธแปลว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงวิมุตเตี่ยแปลว่าหลุดพ้นนิพพานในแปลว่าดับเย็นซึ่งเค้าหมายก็เดียวกันน ะ, ะคือว่าดับกิเลสเดียวกัน รายการแรกก็คือเป็นตะทังกับนิโรธก็คือดับกิเลสด้วยองค์นั้นๆเช่นว่าค่าความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะคนสนิทโดยการให้เอาชนะหน้าคนพูดจาหล่อแหลกด้วยคําสัตย์คําจริงเอาชนะคนริษยาด้วยการมุทิตากับเขาเป็นต้น ตลอดจนถึงมีสติจดจ่ออยู่กับนามรูปกิเลสดับไปในช่วงขณะบรรเทาความกำหนัดบรรเทาความขัดเครื่องบรรเทาความรุ่มหลงบรรเทาความมัวเมาลงไปนะก็ดับได้เป็นขณะขณะบางทีก็ทิ้งช่วงยาวหลายนาทีนะฮะมันก็เหมือนกับลักษณะการชิมของที่อร่อย เราก็ได้ลิ้มรสนิพพานเนี่ยอ่อนๆมืันก็ลิ้มชิมของที่อร่อยเนี่ยแล้วพอใจติดใจก็จะเกิดความกระตือร้นที่จะลิ้มต่อไปที่จะสัมผัสต่อไปการดับในแนวนี้เป็นการดับในชีวิตประจำวันแต่ทางฝั่งลองสังเกตว่าจริงๆเราสัมผัสกันทุกคนแหละไม่ว่าใกลก็ตาม น, นะแม้แต่โจรร้ายเนี่ยมันก็ดับได้ในบางขณะไม่ใช่แกคิดจะปล้นเลยแกปล้นทุกทีนะฮะ แกก็ดับความอยากที่จะปล้นออกไปได้ในบางขณะเหมือนกันก็แสดงว่าแกก็เข้าถึงตะทางกัปะหารได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันอ่อนไปคือไม่มีกาลังต้า น, านทานที่สืบต่อมากพอที่จะเกิดเป็นพลังในการจะหยุดความชั่วของแกลงไปได้ปริยายตรงนี้เราจะพบว่าทรงจำแนกแสดงไว้โดยปริยายเป็นนั้นมาก เช่นควรทำความไม่ประมาทในที่สีรษานโดยสายการระมัดระวังจิตตัวเองมีอารมณ์กระตุ้นจากข้างนอกก็ได้เหนียวนึกตึกนึกไปจากข้างในก็ได้เราก็ระวังที่จิตของเราไม่ให้กิเลสมันเกิดทะนนั้นเองก็เรียกว่ามีสติจดจ่ออยู่กับนามรูป ในนี้ก็คือนามเช่นสมมติว่าเกิดความกำหนัดเกิดความกัดเครื่องเกิดความรูปนุ่งเกิดความมัวเมาขึ้นมาเนี่ยท่านก็สอนส่งสอนให้ระวังจิตอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดความกำหนัดนั้นบางทีเราก็กระตุ้นเร่งร้าวขึ้นมาโดยความคิดของเราเองบางทีก็มีแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกแต่เราก็พยายามระวังจิตของเราไม่ให้เกิดความกำหนัด ในรมณบแม้เข้าพยายามจะให้เกิดความกำลังก็ได้มันก็สามารถสงบ ก, กิเลสประเภทนี้ลงไปได้ในขนาดนั้ น, น, นและบางคราวในกรณีนั้นมันก็สงบไปได้เลยซึ่งก็อยู่กับพลังจิตเรามีความเข้มแข็งขนาดไหนมีอารมณ์กระแทกกระทันกระทุ่งมาให้เกิดความโกรธ การสุปประมาณการด่าทอการข่มขู่คุก ค, ค้ามอะไรต่ออะไรจะแยกเกิดความโกรธหรือเกิดความกลัวเรากระมัดระวังใจเราไม่ให้โกรธเอาชนะความโกรธได้ในขณะนั้นๆมันก็เป็นตทาทังกับปะหานคือละได้โดยองค์นั้นๆจิตก็พ้นจากกิเลสโดยองค์นั้นๆเรียกว่าตทาทังกับวิมุติเราก็สามารถดับ อิเลตในจุดนั้นๆลงไปได้เรียกว่าตาทังกันนิโรธอันนี้เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกคนในสัมผัสได้แล้วข้อที่ควรพยายามอย่างยิ่งก็คือสัมผัสระดับนี้ให้ได้ส่วนอีกระดับหนึ่งก็ค่อยว่ากันแระดับในชีวิตประจำวันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นลีลาอารมณ์และเราอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่มายุ่ยยุยย่ยวนด้วยประการต่างๆ ถ้าจิตใจของบุคคลไม่เข้มแข็งแล้วก็รู้อำนาจแก่ลงอาจจะเกิดกำนัดจนคุกคุมไม่อยู่ก็มีปัญหาแล้วเกิดขัดเคืองขึ้นมาคุกคุมไม่อยู่ก็มีปัญหาเกิดลุ่มหลงขึ้นมาแล้วก็คุมไม่อยู่ก็มีปัญหาเกิดประมาทคุมไม่อยู่ไอ้ น, นี่อาจจะถึงตายได้เลยแ้ว ด, ดูข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏทางสื่อสารมวลชนสมมติว่าเป็นเรื่องจริง อย่างพูดถึงที่ข่าวบอกว่าแพทย์ฆ่าพัญญาชัแหละหรือว่าด็อเตอร์เป็นยาเอกตีพัญญาจนตายเนี่ยถ้าจริงนะฮะสมมติคือจริงไม่จริงก็ตามว่าใครทำอย่างนั้นแสดงว่ามันถูกวัวยุถูกกระตุ้นมาจากข้างนอกแล้วก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็กลุมใจไม่ได้ก็รู้อำนาจแก่รมที่มายั่วยวนยั่วยุ อย่างนี้ก็คงออกมาในแนวยัวยุวนะฮะเลยมันเกิดโทษสะจนยับยั้งไม่อยู่เราก็ออกมาแรงสมมติว่าที่เป็นข่าวไม่จริงแต่ว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกจริงๆแล้วเกิดขึ้นมากมายก่ายกองไปหมดทุกยุคทุกสมัยตัวนี้ถ้าเราเอาจิตใจมาระลึกมาจดจ่ออยู่กับนามารูปมองเห็นโทษของกิเลส มันก็ตัดใจได้สงบความคิดที่กำหนัดก็ดีที่ขัดเคืองก็ดีที่ลุ่มหลวงก็ดีที่มัวเมาก็ดีลงไปได้แต่นี้ก็จัดเป็นตทังกับนิโรธนะคือดับด้วยองค์นั้นๆประการต่อไปเป็นความประณีตอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าวิคัมพนะป่าหานบ้างวิคัมพนะนิโรธบ้างวิคัมพน ะ, ว, พะวิมุตตบ้าง ในที่นี้ก็จะเรียกว่าวิคัมปนะวินิโรธตามหลักอัตรกถามาสติปัฏฐานในสูตรก็คือดับด้วยการข่มไว้การสยบไว้การกดไว้ด้วยกำลังของฌานมันเป็นผลของการเจริญสมาธิถึงเมื่อสมาธิก็มีปริมาณสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่สยบ ก, กิเลส ป, ประเภทดังกล่าวนั่นเองแต่ว่า เนื่องจากมันไม่แรงมากจนถึงล้นออกไปข้างนอกท่านก็เรียกว่าปริยุทธาในกิเลสจริจริงก็คือมันอ่ะก็คือโลกกุลงเหมือนกันคือสงบในบอลทั้งห้าประการลงไปได้คือการมาฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นๆพยาบาทความพยาบาทจงร่างจงผานจงการโต้อตอต้องการทำลายต้องการแก้แค้นองการล้างผาน ต้องการจ ะ, ะชดเชยอารมณ์อะไรของตงนเองมันสะใจมันสาแก่ใจมันรู้สึกมันในอารมณ์ที่ได้ทําอย่างนั้นปัญหานเหล่านี้มันเป็นกงเกลียนของกรรมที่จริงมันไม่มีจุดจบสิน้นคือในกรณีของการระเบิดที่สหรัฐอเมริกาตลอดถึงการทิ้งระเบิดที่อักาในสถานเนี่ยถ้าเรามองเป็นกรณีศึกษา เราเห็นว่าเป็นลีลาอารมณ์ที่ขาดการควบคุมด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันมีทั้งโลภมันมีทั้งโทสะมันมีทั้งโมหะพอแล้วก็ไม่เป็นเรื่องนะศูญเสียสิ้นเปลืองมากมายกายกองเลยเป็นเรื่องที่น่าจะได้โลกมันคล้คายๆกับย้อนยุคือสติปัญญา อริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมศาสนาที่อบรมฝึกฝือสั่งสอนกันมาถูกละเลยถูกทอดทิ้งไปนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราละมันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือละด้วยประเภทแรกแต่ประเภทนี้มันลึกซึ้งลงไปคือไม่ถึงก็ออกมาในขนาะนั้นเป็นเรื่องระดับความคิดอยู่ภายในจิต เป็นอาการของนิวร์ที่เรียกว่าสิ่งกั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีสี่ประการห้าประการระการที่สามก็คือทีน้ำิทะง่วงเหงาหวนอนซึ่งซึมห ง, ง, งอยเหงาหดหูเครือบเครื่จุดชื่ อ, ช, อชาเย็นเหนื่อยหน่ายเซ็งหมดอะไรตายยากต่างๆอุทาจักกุกุกจากความฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดไม่พอใจนะแล้วก็พร้อมที่จะกลายเป็นพยาบาทได้ด้วยนะนี้ ทีนั่งมิท่าก็เหมือนกันนะฮะพร้อมจะกลายเป็นกรรมฉันได้ด้วยแล้วก็วิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจบักใจลงไปไม่ได้เป็นอาการของโมหังต์พวนี้ดปวยการปฏิบัติในสมาธิคือการเจริญสมถะกรรมฐานเนี่ยเมื่อท่านเจริญไปจนมันลุชาน ก็เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติตยฌานยะตติยฌานก็จิตมันจะประหนีขึ้นไปโดยลำดับโดยเฉพาะมีองฌานที่เป็นกุศลละธรรมล้วนๆปรากฏขึ้นภายในจิตก็ เ, เรียกวิวตกคือความตรึกวิจารคือความตรองปีติคือความเอื้อป่มใจสุขคือความสบายกายสบายใจและเอกกตาคือจิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นสมาธิ ก็เกิดขึงนกันมาห้าข้อมาประกบกับนิวรณ์ห้าข้อคือมากดทับนิวรณ์เอาไว้ข้อละข้อนะในะความมีชานละข้อเนี่ยมากดนิวรณ์เอาไว้แสดงว่านิวรณ์ไม่ได้ถูกละไปหรอกเพียงแต่สุขสยบหรือถูกสะกดเอาไว้หรือถูกขมเอาไว้ํานองคล้ายๆกับเอาศิลาไปวางทับหญ้าเอาไว้หญ้ามันไม่ตายหรอกแต่มันอยู่ใต้ศิลามันแสดงออกมาไม่ได้ วิโตวความตึกนึกจะทําหน้าที่สงบทีนมิทะคือความเง้อเหงาหงนอนวิจารณในการใส่ซองจะทําหน้าที่สงบวิจิกิจชาคือความเครื่อนแผลงสงสัยปีตีคือความเอือบปิ่มใจจะทําหน้าที่สงบพยาบาทคือความอาฆาตความจองร่างจองผรานแล้วก็สุขจะทําหน้าที่สงบอุถะจะกุจิจะคือความฟุ้งซ่านความราคาญความสัดสายของใจจนถึงกังงุดหงิดใจ แล้วก็เอกะกะตาคือจิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวจิตที่มีอารมณ์เป็นเเปเป็็นนอันเดียวคือมีสมาธิที่ตั้งมั่นคงมันจะที่ทําหน้าที่สงบความรู้สึกประเภทก ร, รมอันฉันคือจิตที่เหนี่ยวนึกึนกนึกถึงสิ่งที่ใคร่ด้วยอัมด้วยความใคร่ที่มีภา ย, ภา ย, ย, ภายในใจเราอันนี้ก็เป็นปาหานะคือการละระดับหนึ่งทําให้จิตมันหลุดพ้นก็เป็นวิมุติ แล้วก็ทําให้ดับก็กลายเป็นนิโรธแล้วก็เรียกว่านิพานก็ได้นะฮะวิคัมปะรานิพานก็ได้เป็นคําเหล่านี้เป็นวิยพจน์กันคือใช้แทนกันได้ที่การเจริญ น, นุสติแนวนี้ก็คือการมองย้อนกลับมาหาเราสวดสอบดูตัวเราว่าบนเส้นทางของปริยะหรือคุณธรรมเทพยะติท่านสัมผสัสได้เนี่ย เราสัมผัสได้บ้างบางระดับไหมอย่างน้อยที่สุดระดับแรกระดับที่สงบโดยองค์นั้นนั้นถ้าตรวจสอบแล้วก็เห็นแล้วก็เกิดปิติประโมทขึ้นมาจิตมันก็เดินไปเช่นเดียวกับอนแล้วสติข้ออื่นๆท่องฟังทั้งหลายแต่หลวพ่ติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมยศมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี